ความคงใจของทั้งโลกไม่ใช่คำเฉลยที่ง่ายงไม่มีความหมายแค่พบแล้วก็ผ่านอย่าคิดว่าที่พูดมามันสำคัญฉันไม่ยอมสมไม่ต้องฝันไม่คุดใจฉันถ้าหวังจะให้ฉันเป็นแบบไหน ไม่ใช่จับฉันเลิกทิ้งกันง่ายได้ไม่เห็นแล้วจะเข้าใจมันได้ไงยืนอยู่ตรงนี้เพียงเดียวได้ไม่มีใครสนไม่เห็นฉันบ้าง ไม่มันใครเราจะเป็นเหมือนใจเธอได้เธอของใจฉันและฉันจะไม่วันจะเผยให้ได้เห็นตัวตนข้างในเธอจะพาฉันเดินไปได้ใครจะทำไรกับเท่าที่เราเข้าใจตัวเองข ลับไหลตอนที่ฉันได้แต่ฝันเพียงลำพังและคำ